ขอบคุณพระเจ้าครับที่ในบ่ายวันนี้นะครับได้มีโอากาศมากล่าวพระชนะของพระเจ้าท่ามกลางเราพี่น้องคงจะแปลกๆนะครับว่าชีวิตอนุสน์เนี่ยแปลว่าอะไรใช่ไหมครับถ้าเราเปิดไปดูในพระจันุกรมราชบัณฑิตนะครับคําว่าอนุสน์เนี่ยมาจากคาว่าสนธิสนธิแปลว่าการรวมกันใช่ไหมครับสนธิกําลังอย่างเงี้ยนะครับรวมกันอนุเนี่ยเป็นคํานําหน้า ที่แปลว่าตามครับตามตามการนำอยู่ข้างหน้านะฮะการประมวลกันอยู่ข้างหน้ามีความหมายว่าพูดง่ายก็คือว่ามันเป็นกระบวนการครับชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นกระบวนการตั้งแต่เราเกิดมานะครับอยู่ในท้องคุณพ่อคุณแม่เกิดมานะเป็นวัยเตาะแตะมาเป็นวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นนะมาเป็นวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนนะฮะ แล้วมาเป็นวัยชาราแล้วก็เข้าไปถึงเรียกว่าวัยเบิกบานหรือว่าวัยกล้วยไม้นะนะครับชีวิตเนี่ยมันมีมันมีสเต็ปหรือเป็นขั้นตอนนะที่พระเจ้าได้วางไว้ถ้าเรามองส่วนรวมเราก็จะพบว่าชีวิตของคนเราก็มีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าสัตย์จะทาความจริงของชีวิตนี่คือการเกิดแก่เจ็บตายแต่ในพระเจ้านะของพระเจ้าตอนนี้นะครับ ในอิสยาห์บทที่ห้าสิบห้าเนี่ยนะครับที่ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอนุสนอนุสนชีวิตอนุสน์ของคนเราเนี่ยนะครับมีอยู่สองสเต็ปในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับและสองสเต็ปนี้อยู่ในข้อที่สามครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูในข้อที่สามนะครับให้เราร่วมใจกันในฐานก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าวิญญาณสูงสุดขอบพระคุณพระองค์ในบ่ายวันนี้ที่ ปรับใช้ของพระองค์กํำลังกล่าวพระวจนะของพระองค์ขอพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะทรงกระทําพระฤทธิ์ของพระเจ้ า, าในชีวิตในตัวของผู้ได้ยินได้ฟังและผู้กล่าวเพื่อที่เราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ให้ทรงโปรดที่จะเคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ให้พระวจนะของพระเจ้ า, านั้นจะเป็นอาหารทิพย์แห่งชีวิตที่จะบำรุงเลี้ยงร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหลายจิตวิญญาณของข้าพเจ้าทั้งหลายไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้เกิดผลดี ขงหลัยจะมีชีวิตที่เกิดผลมากตามน้ำมันไทยของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องดูนะครับในข้อที่สนะครับมีสิ่งที่สําคัญมากอยู่สองประการครับในข้อที่สบอกว่าเอียงหูของเจ้าและมาหาเราจงฟังเพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิตและเราจะทําพันธสัญญาณิรันต์กับเจ้าอนุสน์ความรักอันมั่นคงแน่นอนของเราต่อดาวิด คำาอนุสนิก็คืออะไรครับสนธิ์กันนั่นหมายความว่าต้องมีอะไรเกิดก่อนมีอะไรเกิดตามมาและรวมกันนะครับคำว่าอุสนิแปลว่ารวมกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงสเต็ปขั้นตอนต่างๆนี้ครับก็คือว่ามีความรักมั่นคงของพระเจ้าเกิดขึ้นนะครับแล้วเกิดพันธสัญญานิรันต์ตามมาสองคำนี้เป็นคําที่ใหญ่มากในศาสนาศาสตร์หรือในพระคัมภีร์ครับคําว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าเนี่ย สามารถพูดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฮะแต่วันนี้ผมจะใช้เวลาประมาณหนาทีที่จะพูดถึงเรื่องความรักมั่นคงของพระเจ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเช็ค ว, าว่า steadfast love เป็นความรักที่ไม่หวั่นไหวไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนถูกรักครับแต่ขึ้นอยู่กับคนรักคนให้ความรักออกมาเพราะนั้นเราจะเห็นชัดเจนครับว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าเนี่ยเป็นความรักที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าคนที่ถูกรักเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ตามพี่น้องครับมาถึงตรงนี้เนี่ย ถ้าพูดถึงว่าความรักของหนุ่มสาวนี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราคงจะคงจะปฏิเสธไม่ไดนะ้ว่าไม่ไเป็นนะความรักที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือความรักของสามีภรรยาผมอยากจะถามสามีภรรยาที่นั่งอยู่ที่หลายหลายคู่นะครับบอกว่าความรักของเราที่มีต่อกันเนี่ยนะฮะเป็นความรักแบบไร้เงื่อนไขหรือเปล่าครับไร้เงื่อนไขหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันมีความรักแบบต้องมีเงื่อนไขความรักที่ ความรักที่ต้องคาดหวังคนที่ถูกรักนะครับว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นฉันถึงจะให้ความรักของฉันเนี่ยอย่างเต็มที่กับเธอนั่นคือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของมนุษย์ในเบื้องต้นแต่เงื่อนไขพระเจ้าไม่มีเลยครับเงื่อนไขของพระเจ้าก็คือว่าไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรหรือว่าไม่ว่าผู้ถูกรักจะเป็นอย่างไรนะครับพระเจ้าก็ยังรักคนคนนั้นอยู่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าเราจะเป็นยังไงพี่น้องครับ จากตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับแท้ที่จริงเนี่ยผมอยากจะให้กำลังใจหลายๆลยท่านที่ณเวลาเนี่ยชีวิตของเราไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยจะไม่กระทบกับความรักมั่นคงของพระเจ้าเลยไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับประการแรกประการที่สองก็คือว่าไม่ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะล้มเหลวจะตกต่ายัางไงก็แล้วแต่ถ้าเรารับคำเชิญจากพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้านัาของพระเจ้าในข้อที่หนึ่งข้อที่สาเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าพระเจ้านั้นเป็น the invitation god ก็คือเป็นพระเจ้าผู้ทรงเชื้อเชิญมนุษย์ทุกๆคนให้เข้ามาแล้วก็รับประทานดื่มน้ํานะครับมาซื้อเหล้าอางุ่นและน้ํานมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเชื้อเชิญทําอะไรครับพระเจ้าเชื้อเชิญให้มารับน้ํารับนมแล้วก็รับน้นําองุ่นหรือเหล้าอางุ่นนะครับก่อนที่จะไปถึงนั้นนะครับเรากลับมาดูว่าสนธิชีวิตสนธิเนี่ยอะไรบ้าง ชี้สนธิก็คือว่าหนึ่งเรามีความรักมั่นคงของพระเจ้าสนธิรวมกับอะไรครับรวมกับอะไรครับพี่น้องเตือนเตือนตือนสนธิกับอะไรครับพันธสัญญาของพระเจ้าวันนี้อาจจะอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ผมจะพยายามง่ายๆให้พี่น้องเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือความรักของพระเจ้า และบวกกับอะไรตามมาครับพระสัญญานิรัน์ของพระเจ้าความรักนิรัน์รวมกับพระสัญญานิรันต์ทำให้เกิดเป็นชีวิตของเราที่เราจะดำเนินต่อไปเป็นเป้าหมายที่พระเจ้าได้ตั้งไว้สำหรับมนุษย์ทุกคนและพระเจ้าเชื้อเชิญมนุษย์ทุกคนให้เข้ามาเพื่อจะรับสิ่งนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่าความหมายของควาว่าน้ำคืออะไร เราจะดูว่านมคืออะไรและน้ำอ่างงุนหรือเหล้าอ่งงุนคืออะไรพี่น้องครับน้ําสําหรับคนที่กระหายคืออะไรครับก็คือก็คือเป็นตัวที่หรือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันสดชื่นนั่นหมายความว่าคนที่กระหายเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยมันมันมีความกระหายมันมีความรู้สึกไม่สดชื่นมันมีความรู้สึกทางลบในการที่เราจะเดินอยู่ในทางที่เป็นความรักของพระเจ้าและในพันสัญญาของพระเจ้า และตรงนี้นี่เองนะครับพี่น้องผมอยากจะให้คิดถึงถ้าพี่น้องมาตอนเช้าเนี่ยเราเจนว่าคําว่ามารคาหรือว่ามักเนี่นะครับก็คือทางเดินทางเดินเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีพระเจ้าและพระสัญญาของพระเจ้าทางเดินชีวิตของเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีก ฎ, กฎเกณฑ์ของพระเจ้าพระบรัญญัติของพระเจ้าเดินไปสู่เป้าหมายคือชีวิตนิรันดร์นะครับชีวิตที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับมันเกิดจากความรักนิรันดร์บวกกับพระสัญญานิรันดร์พันธสัญญานิรันด ร, ร์ของพระเจ้าจากตรงนี้นี่เองนะครับเป้าหมายตรงนี้ พระเจ้าตั้งให้ลูกของพระองค์ทุกคนไปถึงตรงนั้นได้พี่น้องครับถ้าวันนี้เป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะกรุณาต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหมน่นะครับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ของชีวิตของเราเนี่ยให้ตรงกับพระวจนะของพระเจ้านะนั่นแหละคือทางที่พระเจ้าต้องการให้ลูกของพระองค์เป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นด้วยพันธสัญญาณิรันต์ความรักนิรัน์นั่นคือเป้าหมายที่เราจะได้รับทางเดินของเรานี่ครับสาคัญครับ พระกัมพีกำลังเชื้อเชิญบอกว่าให้มานะครับเวลาที่เราเดินอยู่ในทางเนี่ยไม่ได้มีหลักประกันว่าคุณจะไม่กระหายนะไม่ได้มีหลักประกันว่าคุณจะไม่หิวนะไม่ได้มีหลักประกันว่าคุณจะมีความสุขตลอดชั่วทุกๆ ท, ทางทุกๆก้กาวที่คุณเดินไปนั้นไม่มีแต่สิ่งที่พระกัมพีสอนก็คือว่าพระเจ้าเดินไปกับเราด้วยและพระเจ้านําเราพระองค์มีเครื่องมือของพระองค์ในการที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายนั้น ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับพระคัมภีร์บอกว่าจงมาถึงน้ำนะครับน้ำนี่ก็คือเป็น refreshment ก็คือเป็นอะไรฮะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหายกระหายเป็นสิ่งที่ทำให้เราสดชื่นน้ำนะครับนมแล้วครับนมก็คือ nourishment ก็คืออาหารนะครับทำให้เราเติบโตและวนและครับเหล้าอางุ่นคืออะไรครับเหล้าอางุ่นก็คือ ความชื่นชมยินดีเวลาที่คนดื่มเหล้าอางุ่นเนี่ยนะครับในวัฒนธรรมของคนยูนนะไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยเครียดนะครับฉันมีปัญหาฉันไปดื่มเหล้าอางุ่นไม่ใช่แต่เหล้าอางุ่นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครับเป็นความชื่นชมยินดีนั่นหมายความว่าพระเจ้านั้นได้เชื้อเชิญว่าคนที่เดินอยู่ทางนี้นะพระเจ้าจะเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้แต่เชิญคุณมาครับเชิญคนที่รู้สึกว่ากระหาย จงมาถึงน้ําเชิญคนที่รู้สึกว่าไม่มีเงินจะมาซื้อให้มาซื้อพี่น้องอ่านแล้วแปลกๆไหมครับในข้อที่หนึ่งบอกว่าเชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ําและผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อคําถามของผมเมื่ออ่านพระคัมภีร ต, ตอนนี้ก็บกว่าไอ้คุณไม่มีเงินแต่ทําไมพระเจ้าชวนมาซื้อละครับทั้งที่รู้ว่าไม่มีเงินใช่ไหมฮะอ่านแล้วเนี่ยมีความรู้สึกหรือคําถามอย่างนี้ไหมครับ รู้สึกไหมครับว่าเอ๊ะไม่มีเงินแล้วทำไมพระองค์พี่บอกว่ามาซื้อเถอะใช่ไหมครับพี่น้องครับมาซื้อแปลว่าอะไรครับมาซื้อแปลว่าไม่ใช่ของฟรีใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ของฟรีแต่เราไม่เสียเงินนะแปลว่าอะไรครับข้อที่สองขอโทษครับข้อที่หนึ่งมาซื้อเหล้าอางุ่นและน้ำนมเถิดแต่ไม่ต้องเสียเงินเสียค่าเห็น <c oughs> ไหมครับเชิญมาซื้อ แต่คุณไม่เสียแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีคนอื่นจ่ายให้คุณมีคนอื่นเนี่ยเสียค่าแทนคุณแล้วพี่น้องครับในชีวิตของเรานะเวลาเราเข้ามาหาพระเจ้านะถามว่าเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยตัวเองได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าด้วยความดีด้วยคุณธรรมของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ความดีของเราเนี่ยมาหาพระเจ้าได้เราต้องมาตามคําเชื่อเชิญของพระเจ้าใช่ไหมครับนะฮะ เราต้องมาตามความกำคาเชื่อเชิญของพระเจ้าพระเยซูก็บอกว่าจงมาหาเราเราจะให้ท่านหลายหายเหนื่อยเป็นสุขมาหาเราใช่ ไ, ไมเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่มีคนจ่ายให้เราผู้นั้นคือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนจ่ายราคาข้างงวดให้เราบนไม้ยังเขียนเรียบร้อยแล้วและนี่คือคำพยากรณ์ที่พูดถึงเรื่องของพระคุณพระกรุณาของพระเจ้าครับพี่น้องเหลือบเข้าไปดูข้างบนนะครับ ก่อนที่จะถึงตัวเลขห้าบห้าเนี่ยในบัะมปีของเราเนี่ยบอกว่าประทานพระกรุณาให้ทั่วกันนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องใช้เงินซื้อเราไม่ได้เสียค่าอะไรเลยแต่มีคนเสียค่าให้แล้วจ่ายราคาให้แล้วนั่นคือพระเจ้าและคนที่จ่ายราคาเนี่ยเป็นคนที่เชื้อเชิญเราก็มาพี่น้องเห็นภาพนะะเชื้อเชิญเราก็มาบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยความรักมั่นคงและพระสั ญ, ญานิรันรออยู่ตรงน้า นะแล้วพระเจ้าก็เตรียมเสบียงให้เราตั้งแต่น้ำตั้งแต่นมแล้วก็ไวน์เหล้าองุ่นเรียบร้อยหมดเห็นภาพนี้นะครับพี่น้องครับข้อที่สองต่อมาผู้พยากรณ์ก็ได้ถามว่าทําไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของที่ไม่ใช่อาหารใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งที่มิให้อิ่มใจนั่นแสดงว่าแต่ก่อนหน้าเนี้ยนะครับคนคนเนี้ยหรือ ประชาชนอิสราเอลกลุ่มนี้ทำผิดหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะเขามองเห็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสำคัญกว่าอาหารมองเห็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสำคัญกว่าความอิ่มเอิบใจที่ผมอธิบายอย่างเนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าในชีวิตของประชากรของพระเจ้ารวมถึงเราด้วยนะครับเราได้ใช้ทรัพยากรที่พระเจ้าให้กับเรานะครับอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือเปล่า ทำให้ผมคิดถึงในพระคัมภีร์ขับอุปมาเรื่องเงินมินาพี่น้องจําได้ไหมครับเงินมินาในพระคัมภีร์ใหม่ในลูกาเนี่ยแหละครับลูกาบทที่19เนี่ยพูดถึงเรื่องเงินมินาพี่น้องไปอ่านให้ละเอียดนะครับเราจะเห็นว่าเงินมินาเนี่ยพระเจ้าให้เงินมินากับคนของพระเจ้าเนี่ยทุกคนเนี่ยเท่ากันหมดเลยแต่ในมัทธิวบทที่25เนี่ยพูดถึงเรื่องของเงินตะลันพระเจ้าให้ตะลันกับคนของพระเจ้าเนี่ย นะครับไม่เท่ากันมีของบางอย่างที่พระเจ้าให้กับเราไม่เท่ากันอาจจะเป็นความสามารถอาจจะเป็นตะลันของประธานอะไรต่างที่ไม่เท่ากันแต่มีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราที่พระเจ้าให้เท่ากันแล้วพระเจ้าต้องการให้เกิดปริสิภภาพสูงสุดตามกำลังของเราอะไรครับที่พระเจ้าให้เราเท่ากันเวลาใช่ไหมครับนะอายุของเราเท่ากันไหมครับ อายุของเราเมื่อเมื่อเราอายุเท่ากันนั่นแหละคือเวลาเท่ากันนะครับพอถึงเราตายปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือพระเจ้าเนี่ยให้บางคนอายุ70บางคนให้อายุ80บางคนให้อายุ50แต่พระเจ้าบอกว่าอายุที่เหมาะสมคือเวลาที่พระเจ้ากําหนดไว้สําหรับแต่ละคนนั่นแหละคือหนึ่งช่วงชีวิตที่เท่ากันถามว่าหนึ่งช่วงชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเราเกิดผลดีประสิทธิภาพมากแค่ไหนในการที่เราจะถวายพระเจ้า หลายหลายคนนะครับปล่อยให้เวลาของเราเนี่ยผ่านไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าอมาออกมารับใช้พระเจ้าด้วยกันเนาะมาทํางานถวายพระเจ้าด้วยกันนะไม่เป็นไรหรอกยังมีเวลาอาจารย์ไปก่อนอ <c oughs> อาจารย์ไปก่อนเดี๋ยวพวกเราตามไปเนาะ <c oughs> ยังไม่ถึงเวลาของของหนูเลยของผมเลยอาจารย์ไปก่อนทั้งที่ตัวเองเนี่ยพระเจ้าเรียกเขาชัดเจนแต่เขาปฏิเสธ พระเจ้าเชื้อเชิญเขาให้เข้ามาดื่มน้ำมาดื่มนมมารับประทานนมมาซื้อเหล้าองุ่นเดินอยู่ในทางนี้แหละครับแต่ว่าไม่ยอมสักทีผลัดวันประกันพุ่งนั่นคือการใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งที่มิให้อิ่มใจทุกวันนี้นะครับเราสแสวงหาอะไรอยู่ถ้าเราสแสวงหาอะไรที่ไม่สามารถทำให้เราอิ่มใจได้ก็สแสวงหาต่อไปเรื่อยๆแหต่อไปเรื่อยมันไม่มีวันสิ้นสุดครับ เพือเรากลับมาดูว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราแสวงหาอะไรบ้างที่มันจะทําให้เกิดความอิ่มใจผมอยากจะเสนอนะครับว่าให้เราหาพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเอาพระเจ้ามาก่อนพุทธก่ first เมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อนเนี่ยพระเจ้าจะเตรียมสิ่งต่างๆที่จําเป็นไว้ให้กับเรามัทธิวบทที่หกข้อสามสิบสามใช่ไหมครับนะให้เราแสวงหาความชอบธรรมแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและสิ่งต่างๆนั้นพระเจ้าจะประทานที่เหลือให้นั่นคือการไว้วางใจในพระเจ้าครับ และพระเจ้าเชื้อเชิญให้เราเดินอยู่ในทางนี้เป็นเป็นทางแห่งความไว้วางใจและความไว้วางใจนี่ครับมีเคล็ดลับในพระมภี์บทที่ห้าบ้าข้อที่สองบอกว่าให้เราใส่ใจฟังพระเจ้าให้เราใส่ใจฟังพระเจ้าและรับประทานของดีและให้ตัวปิติยินดีในไขมันพระคัมภีตอนนี้นครับเล็กๆนี่นะครับมีความหมายช่อนอยู่ก็คือว่าให้เราเอาใจใส่ โฟกัสที่พระเจ้าเป็นหลักและให้เราตั้งความสําคัญพระเจ้าต้องมาก่อนเสมอใส่ใจฟังพระเจ้ารับประทานของดีคำว่าของดีนั้นมีความหมายว่าเป็นของที่เพอร์เฟกสมบูรณ์ครับและคำว่าบิติยินดีในไขมันไขมันคืออะไรครับคือความอุ ด, ดมสมบูรณ์นะครับถ้ามีไขมันเยอะเนี่ยแสดงว่าอะไรครับในสังคมเรานี่ถ้าใครมีไขมันเยอะแปลว่าอะไรครับสมบูรณ์นะครับ กินข้าวเยอะมีของกินเยอะมันก็เลยสมบูรณ์มีไขมันเยอะนั่นเหมือนกันครับในในสังคมคนยิวนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่มีใครๆกบสุขภาพดีนะในสมัยก่อนนะคนผู้หญิงสวยนี่เขาวัดกันด้วยอะไรครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสวยเาวัดกันด้วยรอบเอวใช่ไหมครับในสมัยโบราณเนี่ยผู้หญิงสวยก็วัดกันด้วยรอบเอวเหมือนกันแต่ว่า ขนาดมันไม่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าผู้หญิงเนี่ยในในสมัยนี้ถ้าสวยต้องร อ, รอบเอวเท่าไรครับพี่น้องรอบเอวเท่าไหรครับยี่สิบหกยิบสี่เอาลนะยี่สิบสี่ถึงยี่สบแปดก็แล้วกันนะแต่ในสมัยนะั้นเนี่ยนะครับรอบเอวผู้หญิงสวยต้องสามสิบหกอัาหมายคำ ว, ว่าอะไรครับหมายคำ ว, ว่าผู้หญิงที่สวยเนี่ยต้องอะไรครับหุ่นดีครับหุนห่นหุ่นหุ่นดีหุ่นดีขยายข้างนะนั่นแหละถ้าพี่น้องไปดู นะครับภาพภาพวาดศิลปินในสมัยกลางยุคกลางเนี่ยผู้หญิงที่สวยเลยนะครับต้องเป็นผู้หญิงเลยฮะผู้หญิงอ้วนอวบอวบนะไม่ใช่อ้วนนะอวบนั่แหละครับคือสั ญ, ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นะสั ญ, ญลักษณ์แห่งดมสมบูรณ์เนี่ยก็คือไขมันนะครับเป็นความสมบูรณ์พูนสุขและตัวปิติยินดีในไขมันมันก็ว่าคือตัวเองเนี่ยนะครับเห็นความเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เนี่ย ก็เกิดความอิ่มเอิบใจตามมาความอิ่มเอิบใจตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดขึ้นจากพระพรที่มาจากพระเจ้าเกิดจากการเอาใจใส่ฟังพระวจนะของพระเจ้ารับประทานของดีที่พระเจ้าเตรียมไว้และมีความชื่นชมยินดีในความอุดมสมบูรณ์ที่มาจากพระเจ้าตรงนี้นะครับที่เป็นเหตุให้ทำให้เรียกว่าเกิดกันอนุสนพี่น้องในชีวิตของเรานะมันจะต้องมีสเต็ปหนึ่ง สองสามสี่เสมอเรามาพูดกันอีกแน่หนึ่งนะครับผมจะอธิบายให้พี่น้องฟังว่าเวลาที่เราต้องการผลิตของชิ้นหนึ่งนะครับเราเอาจับมันเข้าไปสู่ในโรงงานนะรเราต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าเป็น Input ใช่ไหมครับเป็นปัจจัยนำเข้านะปัจจัยนำเข้าคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณใส่เข้าไปเนี่ยนะตามลำดับก่อนหลังเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการที่ว่า process ใช่ไหมโ Pro ซสตัวนี้มันต้องมีเบอร์นี้เข้าก่อนเบอร์นี้เข้าก่อ น, เบ อ, น, เ, อนเบอร์นี้เข้าทีหลังมันจะเติบหนึ่งสองสามสี่ชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันครับมันไม่มีอะไรที่สามารถผลิตได้ข้ามคืนมันจะต้องมีการเติบโตก้าวหน้าขึ้นในชีวิตของเราในการติดตามพระเจ้าเดินอยู่ในทางนี้จะไปถึงความอุดมสมบูรณ์ได้สมบูรณ์พูนสุขได้จะไปถึงความรักมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้จะไปถึงพระสัญญานิรันของพระเจ้าได้มีชีวิตทีรันที่มีคุณค่าอยู่กับองค์ มันต้องเดินผ่านไปเดินผ่านทางนี่แหละครับทางนี้นอกจากยีพิพากคาของพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์นาแล้วนะครับยังมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่พระเจ้าเตรียมน้ําเตรียมนมแล้วก็เตรียมเหล้าอางุ่นเพื่อในที่สุดแล้วคุณจะเดินผ่านไปได้ด้วยความชื่นชมนีด้วยความหวังพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักเรานะครับเอาละครับระหว่างทางเนี่ยนะครับพอเราผ่านบทเรียนแต่ละบทแต่ละบทบทข้อที่สี่นั้นได้กล่าวอย่างนี้ครับบอกว่า ดูเถิดเราจะกระทําให้ท่านเป็นพยานต่อชนชาติทั้งหลายเป็นหัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการเพื่อชนชาติทั้งปวงพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเริ่มต้นบทที่บทบทที่ห้าสิบห้าข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าใครกระหายใช่ไหมคนที่รู้สึกว่าตัวเองกระหายเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเขาต้องมีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยนะฉันฉันกระหายเนี่ยเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเรากระหายเนี่ย เราจะมาหาพระเจ้าไหมไม่มาหาพระเจ้าหรอกนะแต่เมื่อมาหาพระเจ้าแล้วเนี่ยดูข้อที่สี่พระเจ้าบอกว่าดูเถิดเราจะกระทาให้ท่านเป็นพยานต่อชนชั้งหลายเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นหัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการจากคนที่รู้สึกว่ากระหายใช่ไหมฮะผ่าน p โปรเ s สตัวเนี้ยผ่านกระบวนการตรงเนี้ยหนึ่งสองสามผ่านการสนทินะครับเรื่องต่างๆนะครับในชีวิตของเขาเนี่ย เข้าไปถึงจุดจุดหนึ่งคนคนนี้จะเป็นอะไรครับเป็นผู้นำเป็นผู้บัญชาการเป็นหัวหน้าของชนชาติทั้งหลายนั่นคือการยกชูจากพระเจ้าครับพี่น้องพี่น้องรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นอย่างนี้ไหมพระเจ้าจะยกชูคนของพระเจ้าที่ถ่อมใจลงพระเจ้าจะยกชูขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เป็นบทเรียนของพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เราอยากจะเป็นผู้นานะในที่นี้นะครับ มีบางคนก็อาจจะไม่ใช่ฉันไม่อยากเป็นผู้นำหรอกแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำนะครับสิ่งที่สำคัญคือถ่อมใจนะครับอันที่สองคือรับการเชื้อเชิญจากพระเจ้าอันที่สามคือรู้จากการสนทินะครับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเตรียมให้กับเรา <c oughs> อย่างเหมาะสมจับมาสนทิกันแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับเราจะกลายเป็นพยานเป็นหัวหน้า เป็นผู้บัญชาการพี่น้องเห็นเห็นขั้นตอนนี้ไหมครับเห็นสเต็ปนี้ไหมครับเริ่มต้นให้ถูกนะครับข้อที่ห้าครับเจ้าจะเรียกร้องประชาชาติซึ่งเจ้าไม่รู้จักและประชาชาติซึ่งไม่รู้จักเจ้าจะวิ่งมาหาเจ้าเหตุด้วยพระเจ้าของเจ้าและองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลพี่น้องครับพระเจ้าจะยกชู คนที่อนุสนคนที่มีชีวิตอนุสนนะครับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเขาทั้งหมดเลยไปสู่ดินแดนที่เขาไม่รู้จักไปสู่คนที่เขาไม่รู้จักในเวลากันครับเมื่อเขาไปวางอยู่ที่นั่นนะชีวิตของเขาจะเป็นแม่เหล็กในการที่ดึงดูดคนเข้ามาหาเขาพระเัาพีบอกว่า <c oughs> ประชาชาิซึ่งเจ้าไม่รู้จักไม่รู้จักเจ้าจะวิ่งมาหาเจ้าเพราะเหตุอะไรครับ ไม่ใช่ความสามารถของเราไม่ใช่ความสำเร็จหรือความเก่งของเราแต่เพราะเหตุพระเจ้าซึ่งอยู่ในเราและองค์บริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานั้นพระองค์จะทำให้เราได้รับเกียรติเห็นไหมครับนี่คือการอนุสนสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราทั้งหลายแต่ละคนพี่น้องครับชีวิตของคนที่รักพระเจ้า <c oughs> จะสูงขึ้นทางเดียว ชีวิตของคนที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ารักษากฎเกณฑ์บทบัญญัติของเจ้านั้นจะสูงขึ้นทนันทีพระเจ้าจะไม่เราต่ําลงอันนี้คือสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับในบ่ายวันนี้นะครับในข้อที่โกหกเนี่ย <c oughs> เป็นข้อสรุปคําเชื่อเชิญของพระเจ้าบอกว่าเชิญทุกคนที่กระหายน้ําให้มาซื้อนะครับให้มาหาเหล่าอางุ่นให้มาดื่มเถิดอย่าใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ ไปอย่างเสียค่าไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่เป็นเครื่องมือที่สําคัญเคล็ดลับอยู่ที่นี่ในข้อที่หกครับบอกว่าจงสแสวงหาพระเจ้าเมื่อจะพบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้อันนี้เกี่ยวข้องกับเวลานะครับเมื่อจะพบพระองค์เกี่ยวข้องกับเวลาขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้เกี่ยวข้องกับเวลาถามว่าทําไมเกี่ยวข้องกับเวลาครับสแสวงหาพระเจ้านี้ที่ ต้องเกี่ยวข้องกับเวลายังไงครับเพราะว่าเวลานั้นเวลานั้นนะครับเหมือนกับ น, น้ําขึ้นน้ําลงไม่ใช่เป็นเวลาแบบติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะเป็นเวลาที่เราเป็นไค่รอสก็คือเวลาที่น้ําขึ้นน้ําลงมีช่วงเวลาที่พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนเรามีช่วงเวลาที่พระเจ้าให้โอกาสเราช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่เราจะต้องตอบสนองนะครับโดยการแสวงหาพระเจ้า เมื่อจะพบพระองค์ได้หลายในครั้งทีเดียวเนี่ยเวลาที่โอกาสผ่านไปแล้วนะครับเราร้องเรียกหาพระเจ้าสำหรับบางคนอาจจะสายเกินไปเพราะว่าอายุเขามากจนกระทั่งเขาไม่มีแรงแล้วอยากจะรับใช้พระเจ้าก็หมดเลี้ยวหมดแรงนะครับเวลาที่สุขภาพร่างกายที่ดีๆอยู่สติปัญญาที่สดชื่นแจ่มใสยอยู่นะครับไม่ได้รับใช้พระเจ้า เอาไปซื้อสิ่งที่ไม่อิ่มใจนะครับใช้ทรัพยากรเนี่ยที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยไปซื้อของที่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่สิ่งจาเป็นที่สุดในชีวิตเราพลาดตรงนี้ไปในที่สุดสำหรับบางคนนะครับกลับมาไม่ได้ครับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยกลายเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยมีค่าแล้วเวลาที่ป่วยนอนอยู่บนเตียงอยากจะให้พระเจ้ารักษาแต่มันเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้ว โอกาสทองผ่านไปแล้วนั่นคือเสียงเรียกร้องจากพระเจ้าบอกว่าจงสแสวงหาพระเจ้าเมื่อจะพบพระองค์ได้จงทูลต่อพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้เห็นไหมครับพี่น้องครับเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เราต้องรู้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้เราเราต้องรู้ว่าพระเจ้าหาพบได้ณเวลานี้แหละครับณเวลานี้เป็นเสียงของพระเจ้าที่เรียกร้องเรา ให้เราที่จะตอบสนองต่อการเรียกของพระเจ้าให้เราตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าว่าพระกรุณามาแล้วนะพระคุณมาแล้วนะความรักมั่นคงมาแล้วนะพันธสัญญามาแล้วนะ <calming? S 1> แต่เราไม่ยอมตอบสนองไงเพราะว่าอะไรครับเพราะเราไม่เห็นโ o c e ซสเราไม่เห็นกระบวนการไม่มีอนุสนไม่มีอนุสนชีวิตเราไม่อนุสนเราแยกเป็นส่วนส่ว น, วนอนันนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นไม่เกี่ยวพระเจ้าเลยแต่ถ้าเราเอาชีวิตเนี่ยมาอนุสนกัน ในลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช็อตแต่ละช็อตของชีวิตของเราเราอนุสน์กันรวมกันเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเกิดเห็นภาพใหญ่ภาพหนึ่งก็คือว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ก็คือโดยพระ ค, คุณของพระเจ้าก่อนที่จะไปกินข้าวนะครับผมได้คุยกับท่านผู้ปกครองท่านหนึ่งท่านกำลังทําหลุมศพนะครับให้กับสามีและท่านเขียนนะครับว่า เอเบเนเซอร์เอเบเนเซอร์แปลว่าอะไรครับแปลว่าศิลาแห่งความอุปถัมภ์แปลโดยภาษาธรรมดาทั่วไปก็คือว่าพระเจ้านะครับเป็นศิลาเป็นเป็นอนุสอนนะครับอนุสอว่าพระเจ้าทรงนำเราจนกระทั่งถึงวันนี้พี่น้องครับในชีวิตของเรานะถ้าเราสามารถที่จะถอยกลับไปได้นะและมองกลับไปนะเราจะเห็นว่าชีวิตของเราแต่ละชอ็อต แต่ละ process แต่ละขั้นตอนเนี่ยพระเจ้าเนี่ยนำเราตลอดเวลาหลายครั้งพระเจ้านำเราโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแต่พอมามองย้อนกลับไปเนี่ยนั่นขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าโอ้เราต้องสร้างอนุสร์สถานนะที่ํำแดงถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าสำแดงถึงพันธสัญญาณิรัน์ของพระเจ้าและบอกกับพค์ว่านี่คือเอเบเดเซอร์ของข่าพระองค์ หลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับถวายตัวนะนะครับตัวของเราเนี่ยเป็นเอเมนเนเซอร์ของพระเจ้าก็คือมองเรานี่แหละคืออนุสรสถานที่พระเจ้าดูแลชีวิตของเราจวบจนกระทั่งถึงคุก้วนนี้เป็นศิลาแห่งความอดถามตั้งอยู่ที่นี่เดินได้ด้วยพี่น้องครับเวลาเราเห็นความศ์ัื่อความรักมั่นคงของเจ้าพันธสัญญานิรันดร์ของพระเจ้าเนี่ยเราจะเห็น ลักษณะของพระเจ้าชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่ อ, เ ร, อ, เ, รอเราเดินอยู่ในทางนี้เราจะได้กินน้ําที่สดชื่นมากขึ้นเรื่อยๆเลาะได้ดื่มนมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากขึ้นเรื่อๆยๆเป็นอาหารที่ดีที่สุดแล้วและเราจะได้ดื่มไวน์เหล้าอางุ่นที่ในที่สุดนั่นคือความชื่นชมินดีความชื่นชมยินดีแต่ละช็อตแต่ละชปเตอร์แต่ละบทแต่ละหลักกิโลเมตรของชีวิตของเรา จากตรงนี้นี่เองนะครับผมอยากจะสรุปพี่น้องบอกว่าพระเจ้าของเราเนั่นเป็นพระเจ้าที่เชื้อเชิญครับเชื้อเชิญเราให้เข้ามาและลองสัมผัสลิ้มรสพระคุณของพระเจ้าดูว่ามันมีความห อ, อมหวานขนาดไหนมันมีสิ่งที่ท้าทายมากขนาดไหนในในทางนี้และมันก็จะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้ายัางไงบ้างและนี่เป็นประสบการณ์ยิ่งใหญ่ที่คนคนหนึ่งจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขา พระเจ้าผู้ทรงช่วยเขาและพระเจ้าผู้ทรงรักเขาครับพี่น้องครับผมอยากจะสรุปนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างอะไรมากมายแต่ผมอยากจะสรุปหัวใจในการที่เราจะไปพบกับความรักมั่นคงของพระเจ้าหัวใจในการที่เราจะพบกับพันธสัญญาณิรัน์ของพระเจ้าเราต้องเดินอยู่ในทางนี้และทางนี้พระเจ้าก็เตรียมนาม้าเตรียมนมเตรียมเล่าอางุ่นให้กับเราเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เราจะสนทิเราจะมีชีวิตที่อนุสนครับ ทุกสิ่งอย่างตามขั้นตอนเนี่ยออกมาเปออกมาเป็นอะไรครับเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในที่สุดเป็นชีวิตที่มีคุณค่าที่เราจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีผมถามว่าพวกเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมีศักดิ์ศรีไหมเราอาจจะมีศักดิ์ศรีในตัวเรานะครับของเราเองในสายตาของเราเองหรือเราอาจจะมีศักดิ์ศรีในสายตาคนอื่นแต่ถามจริงๆครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมีศักดิ์ศรีอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือเปล่า พระเจ้าภูมิใจไหมพระเจ้ามองดูแล้วบอกอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ไ ด, ได้หรือเปล่าครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับการเชื้อเชิญข้าพงั้งหลายให้ได้เริ่มต้นใหม่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งให้ได้พิจารณาชีวิตที่ผ่านมาเพื่อที่พระองค์จะทรงช่วยให้ข้างหลายนั้น จะเป็นเอเบเนเซอร์ของพระเจ้าเมื่อผู้คนได้มองเข้ามาในชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายนั้นผู้คนจะได้เห็นถึงอนุสรณ์สถานเป็นศิลาที่พูดถึงความอุปถัมภ์ของพระเจ้าความสัตด์ซืทอของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขออวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ให้ได้มีความเชื่อมั่นคงศรัทธานในพระเจ้าและเดินอยู่ในทางของพระองค์ในที่สุด ข้าพงศ์หลายจะพบกับพันธสัญญาณิรันต์ของพระเจ้าและความรักมั่นคงของพระองค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้ข้าพงศ์หลายนั้นจะมีกำลังที่มาจากพระเจ้าในการเดินทางนี้เพื่อที่ข้าพงศ์หลายจะได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าในแต่ละวันด้วยน้ำนมด้วยน้ำและด้วยเหล้าอางุ่นซึ่งแปลถึงความชื่นชมดีในที่สุดข้าแต่พระเจ้าขอทรงอวยพรผู้ดได้ยินฟังและปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์กราบทูลอธิษฐานมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามน ข้าพเจ้าอวยพรครับ